เทพประมาตอนดงมรณนะ ติดหลังเขามาในบัตรนั้นด้วยใจอันเต้นระทึกขนดงต้นน้ําสหมออันมีใบแหลมคมและหมูไม้ที่ขึ้นอยู่กับชายน้ําตัดมายัางอีกตลิ่งด้านหนึ่งภาพอันเป็นที่มาของเสียงก็ปรากฏขึ้นชัดเจนกับทุกสายตาที่จ้องอย่างตื่นเต้นตกเติงห่างฝั่งตัวเองออกไปไม่เกิน15เมตรอันเป็นบริเวณตลับตื้นๆที่มีน้ําแฉะใต้ต้นไทรใหญ่ น้ำได้พนบริเวณนั้นแตกกระจายกระจายปิว้วนด้วยการฟัด ฟ, า, ฟาของเจ้าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวขนาดเรือจ้างเสียงขู่คำรามอย่างดุร้ายกระหายเลือดของมันดังประสานไปกับเสียงร้องแหลมของหมูปา่าผู้ซึ่งบัดนี้ถูกงับคาบกลางลำตัวดิ้นกระแดวอยู่หมูตัวนั้นเขื่องโขดทีเดียวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของฟันเลื่อยที่กยั่มมันไว้ในปากขณะ น, นี้ก็มองไม่ผิดอะไรกับเห็นจิ้งจกคาบตะกั่น ต, ต, ตัวเล็กๆ มันสะบัดฟาดฟาดอยู่ไปมาอย่างรวดเร็วดุดดันกระทบกับรากใทรและหมู่ไม้เ ล, เล็กๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเหมือนเจตนาจะให้หมุนตัวนั้นยุติการดิ้นรนอย่างเด็ดขาดแล้วกระชากตะกุยลงไปในปลักโคนห่างโคนต้นไสออกไปน้ำบริเวณนั้นตื้นเพียงเข่าร่างของมันจึงปรากฏเห็นชัดเต็มตัวอย่างถนัดหางลักษณะเหมือนใบเดือยตวัดฟาดดุโคลครามอย่างน่าสะพรึงกลัว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 เจ้าสัตว์ร้ายแห่งบึงมหาการก็วิ่งน้ำแตกโครมคลืนกระชาเหยื่อตรุยลงไปในส่วนลึกดำเลนพงไม้น้ำมองดูผาดผาดเหมือนจะแทะแผ่นดินหายไปต่อหน้าต่อ ต, อตาอย่างหน้าหวาดเสียวเสียงโครนเดือดปุดปุ ด, ปดแตกพลากขึ้นมาเป็นพรายฟอรดระคนไปกับเลือดเสียงของหมูป่าขาดหายไปนในทันทีที่ถูกบทจมหายลงไปใต้เลนเหลวเละมีแต่เสียงสำลักแทนและชั่วอึดใจต่อมาก็เงียบสงบรงตามเดิม คงกิงไว้แต่รอยเลือดและพลายน้ําที่เดือดพอดีเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วฉับพลันราวกับเป็นภาพฝันร้ายที่มองเห็นการเชื่อพริศตาเดียวดารินคลางอะไรออกมาคําหนึ่งหลับตาลงอย่างสยดสยองเหลือที่จะกล่าวภาพที่เห็นกับตามันสั่นประสาทของหล่อนเป็นอย่างยิ่งแทบจะไม่เชื่อสายตายว่าเจระเข่ตัวใหญ่นั้นคาบหมูป่าแทกเปลนหายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรทั้งทางที่มองเห็นว่า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 เป็นพันพันตัวรุมกัดกินหมูทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาตอนที่หลงอยู่กับการใหญ่ดารินพูดขึ้นด้วยเสียงแหบเครือยกมือขึ้นรูปใบหน้าแต่สถาบันได้ว่าเหตุการณ์กล่าวนั้นก็ยังไม่หวาดเสียวหน้าคนรุกเท่าขราวนี้ถ้าภูมิประเทศเป็นน้ําลึกแล้วไอ้แค่ตัวนี้กัดหมูลากลงน้ําไปก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหรน่นักหรอกแต่นี่มันเป็นหักเลนมันคาบหมูมุดหายลงไปใต้เลนได้ยังไงเห็นแล้วขนรุก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 เอาหนังมันขายอย่างเดียวก็มีหวังรวยดีกว่าจะไปดักสัตว์ป่าอื่นๆเสียอีกผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันครับติดขัดอย่างเดียวเรื่องหนทางกันดานยากกัการขนส่งถ้าพอมีทางเอาเกวียนเข้ามาถึงผมค้าหนังจระเข้เป็นนานแล้วตัวเล็กๆขนาดที่เราเจอนี่นะราคาดีนะักทำกระเป๋าถือผู้หญิงได้ตัวละใบพอดีหรือไม่ก็สตาเอาไว้ขายเป็นเครื่องประดับห้องรับแขกทั้งตัว ระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นอยู่กับการทําลายลูกจะระเข้เหล่านั้นดารินเริ่มกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขนักกวาดสายตาระแวงไปรอบๆแล้วดึงไรเฟิ่ประจํามือของหล่อนที่ฝากแง่าสายให้สะพายไว้มาถืออีกครั้งรีบปลีกไปให้เสียพ้นๆเร็เวๆเถอะไปฆ่าลู ก, ก อ, อ่อนๆของมันตายหมดแบบนี้ไปเดี๋ยวแม่มันก็ตามมาเท่านั้นหญิงสาว พ, พูดหวาดหวาดเพราะความไม่ประสาทุกคนหันมามองดูหล่อนแล้วหัวเราะไปตามๆกันพี่ชายสงสารก็เลยกระซิบบอกให้ว่า ธรรมชาติของจระเข้ไม่เหมือนสัตว์ ร, ร้ายลูกอ่อนอย่างอื่นหรอกมันไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าเลี้ยงรักษาดูแลลูกของมันเลยมันขึ้นมาออกไข่กบไว้ชายฝั่งแบบเดียวกับเต่าแล้วทิ้งลูกของมันแตกออกจากไข่เจริญเติบโตเองตามยถากรรมโดยไม่มาเฝ้ากกเลี้ยงดูหรือเลี้ยงแลอะไรอีกทั้งสิ้นป่ามหมอบางทีเจอลูกเล็กๆที่เพิ่งแต่ออกจากไข่ยังจับกินเป็นอาหารเสียอีก เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแม่ของมันจะตามมาอาฆาตจ้องเล่นงานเราเหมือนตอนที่น้อยเจอลูกเสือหรอกดารินอายจะหน้าแดงไม่รู้ว่าตนเองปล่อยห้าแต้มออกไปถนัดใจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่อยๆชมเบืองไปทางพรานใหญ่เบาใจเล็กน้อยไม่เห็นเขาวางหน้าเฉยๆทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียแต่แล้วก็มโมโหจีขึ้ น, นมาเมื่อได้ยินเสียงชา ย, ยานหันไปแกล้งพูดเบาๆกับระพินโดยเจตนาให้รอนได้ยินถนัดแปลกแต่จริงนะผู้กอง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 พยายามจะระ ง, งับความเดือดดานไว้ฝืนหัวเราะหึ่ยคุณด้วยในพรานใหญ่ระพินและขอให้รู้ไว้เสียด้วยว่าทั้งสองคนนั่นแหละตอนที่บาดเจ็บไม่สบายหรือตอนที่ทำท่าจะตายอยู่นั่นนะ่ะฉันแกล้งเอาน้ำการฉีดให้แทนยาเสียหลายครั้งแล้วโดยหลอกว่าเป็นยากันบาดทยักบ้างยาแ ก, ก้ปวดแก้ไข้บ้างแล้วมีปัญญารู้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าทาเป็นหัวเราเยะดีไปถูกจอกับเอาแบบนั้น เล่นเอาชายยานคลางอ่อยหน้าแย่ไปหันมาจ้องหน้าเพื่อนสาวพูดอ่อยๆพูดไปเล่นไปหน้าน้อยนี่เล่นเอาน้ำกลั่นฉีดให้หรอกหรอน้ำกลั่นนะ่ะยังดีนะต่อไปข่าวหน้าอาจเจอน้ำโคลนเขาบ้างก็ได้ระวังเหอะชายยานยกมือไหว้ประลประลอกยอมยกทงขาวโดยดีส่วนรพินออกตัวเบาๆผมไม่ได้หัวเราะคุณหญิงสักหน่อยไม่รู้ละคู่หูกันดีนะัก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 พระจงอางยังหวงไข่และลูกอ่อนของมันมีพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้นที่ดีกับฉันช่วยบอกให้หายโง่นอกนั้นมีแต่จะหัวเราะเกิดกับแง่ า, ายก็เหมือนกันระวังให้ดีเกิดกับแง่ า, ายผู้ยิงฟันยิ้มอยู่หยุดยิ้มทันทีทำหน้าเรียเพราะปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปด้วยเดินรุดหน้ากันไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวท่ามกลางพงอ้ออันหนาทึบของชายฝั่งด้านขวา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 ซึ่งคงได้ยินเสียงฝีท้ามนุษย์เคลื่อนใกล้เข้ามาจึงพืดอผ้าโจนลงน้ำไปอย่างกระทันหันจำไว้นะลูกปืนเราจำกัดจะไม่ยิงจนกว่าจะถึงเวลาจำเป็นเชษฐาประกาศย้ำกับทุกคนเสียงเจ้าชาววันที่ขึ้นมานอนผึ่งแดดตะกายลงน้ำเมื่อมนุษย์เฉียดใกล้เข้ามาดังอยู่แทบจะตลอดเวลาที่คณะทั้งหมดคืบหน้าไปแต่ไม่มีโอกาสจะได้เห็นตัวมันบนบกได้ถนัดเลยเพราะป่าลก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 และผิดเรื่องฝีเท้าขึ้นอีกพอตัดเนินเตี้ยวเตียลูกนั้นลงมาอย่างอีกด้านหนึ่งก็พบปลำคลองทอดขวางคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้ามีโขถินเป็นเกาะแก่งผุดงอกอยู่กลางน้ำเปลี่ยนไปหมดฝั่งตรงข้ามเป็นแนวป่ารวกเช่นเดียวกันแต่มองเห็นดงใหญ่เป็นเงาทะมึนอยู่เบื้องหลังน้ำเย็นเฉียบเป็นสีราวกับนินและนิ่งสนิทเหมือนจะไม่มีการไหลเลย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 ใครก็ตามที่จะเดินลุยข้ามฝั่งไปได้ต้องแปลว่ามีปืนสั้นนับสิบสิบกระบอกพร้อมทั้งกระสุนไม่อั้นคอยยิงคุ้มกันอยู่ทีเดียวไม่งั้นเป็นเสร็จเชิดถาพูดอย่างหนักใจพลานใหญ่ยังไม่ทันตอบอย่างไรชายยันก็เอ่ยเสริมมาว่าเราพยายามเดินลุยน้ำไปอย่างเงียบเงียบโดยไม่ให้พวกมันส่วนมากไหวทันรู้สึกตัวอย่างนั้นหรือประโยคหลังเขาหันไปทางพลานใหญ่เหมือนจะขอความเห็น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 การลงไปเล่นกับความตายของเขาเมื่อสักครู่นี้เป็นความใจหายใจความของคณะนายจ้างทุกคนแต่เจ้าตัวเองเฉยๆเหมือนจะเป็นเรื่องสนุกธรรมดาไม่ตื่นเต้นตนกตกใจอะไรเลยเมื่อเห็นจระเข้พวกนั้นปลีดิ่งเข้ามาก็เดินกลับขึ้นฝั่งมาอย่างใจเย็นแล้วเมื่อตะกี้นี้คุณบ้าเดินลงไปทาไมฉันไม่เข้าใจเลยดาลินร้องถามมาเสียงสั่นก็ไม่ได้บ้าหรอกครับเพียงแต่จะทดลองดูเท่านั้น ขนาดผมเดินลงไปคนเดียวพยายามให้เบาที่สุดแล้วมันยังรู้สึกตัวนับประษาอะไรกับพวกเราทั้งกลุ่มว่าอันที่จริงเราน่าจะเดินข้ามกันไปได้ลบกับมันไปพรางถ้าเรามีลูกปืนพอเพียงนี่ก็มีกันอยู่จำกัดเสียด้วยเชื่ยถามองไปรอบๆอีกครั้งไม่ไผ่แถวนี้มีออกเหลือเฟือถ้าจะต้องต่อแพรกันเสียแล้วเสียเวลาครับขืนมัวแต่ต่อแพรอยู่กว่าจะข้ามไปได้ก็พรุ่งนี้ แล้วคุณมีวิธีที่จะข้ามยังไงดาบินกระสับกระส่ายรบรินยังไม่ตอบความกังวลใจของคณะในจ้างของเขาในขณะนั้นก่อนนางสุบุรีเหมือนจะใช้ความคิดเยียบๆอยู่จนกระทั่งบุรีหมดตัวก็ลุกขึ้นยืนกระดิกนิ้วเรียกเกิดเข้ามาส่งไรเฟิลจุดสีห้ของเขาไปให้ถือแลกเอาจุดสามห้ามาขยับลูกเลื่อนตรวจ ด, ดูกระสุนรถตบลูกเลื่อนเข้าที่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 จูจๆก็เดินเข้าป่าหายไปอย่างนั้นแหละชสยหยันหน้าตื่นเปย์ออกมาเบาๆมองหน้าทุกคนที่ร่วมคณะอยู่เชษฐาและดารินก็งงเดาไม่ถูกเช่นกันดารินหันไปทางเกิดพรานใหญ่ไปไหนนะ่ะพรานพื้นเมืองของรพินยิ้มแห้งๆสายหัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนายหญิงเชษฐามองไปยังแงาสายผู้นั่งกอดข่าสงบอยู่ถามอย่างไม่ตั้งใจว่า แง่ทายแกแล่วรู้ไหมผ่านใหญ่ของเราไปไหนก่อนที่เราจะเดินลงจากเนินนี่มีรอยของสมเสร็จตัวหนึ่งเดินลัดไปทางป่าพรวงด้านซ้ายมือเป็นรอยใหม่เสียงห้าวต่ำดังออกมาจากลาคออวบใหญ่ของคนใช้ชาวดงถ้าโชคของเราดีผู้กองจะต้องได้สมเสร็จตัวนั้นมาเป็นเหยื่อล่อจระเข้ในขณะที่พวกเราเดินผ่านลาห้วย คณะนายจ้างทั้งสามเบนตาโปรงในคำพูดของหนุ่มชาวโดงพเนจรห้าแง่ายแกอ่านความคิดพานใหญ่ได้ยังไงชายยันร้องออกมาเร็วปือยังไม่ทันจะขาดคำเสียงกระสุนจุดสามเจ็ดห้านัดหนึ่งก็ระเบิดขึ้นสถานป่าดังอยู่หลังเนินไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดพวดขึ้นยืนและตามเสียงปืนไปโดยเร็วอึดใจใหญ่ก็มองเห็นรัพิน ย, ยืนอยู่ในพุ่มไม้ดิมปลักตอนหนึ่งบนพื้นตรงหน้าเขา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 ดูจะเป็นคู่ปรับที่ตามทันในเหลี่ยมปูชั้นเชิงของกันและกันอยู่ตลอดเวลาฉนิดไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยเดี๋ยวนี้คณะนายจ้างทั้งสามคนตระหนักแน่ในความจริงข้อนี้แล้วเชษฐาสกิดเตือนชัยยันและน้องสาวไม่ให้เอ่ยทักสิ่งใดขึ้นเกี่ยวกับที่แงซายรู้ทันอ่านแผนของรัผินถูกดังนั้นพรานใหญ่จึงไม่มีโอกาสสงสัยอะไรในท่าทีของคณะนายจ้างของเขา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 ดารินซ่อนยิม้มชายตาไปจับอยู่ที่แงาทรายโดยที่ระพินไม่รู้ความหมายคุณเก่งมากนะในพรานไม่มีพวกเราคนใดตามทันความคิดของคุณเลยสักคนคราวหลังจะทำอะไรแล้วก็กรุณาบอกกล่าวให้เรารู้ไว้ล่วงหน้าด้วยมีอย่างหรือเดินพระมาเฉย ๆ, ๆงั้นแหละปล่อยให้เรางงกันอยู่ได้เห็นรอยสมเสร็จตัดหน้าไปก็ไม่เห็นบอกพรานใหญ่ยกากหน่แล้วบอกมาหน้าตาเฉย นดี่คณะ น, า, นายจ้างทุกคนงงงงไปอีกครั้งว่าผมไม่ได้เห็นคนเดียวหรอกครับคนใช้ของคุณหญิงก็เห็นดูเหมือนจะเห็นก่อนผมเสียอีกกมังตอนที่ผมถือปืนเดินออกมาหมอนันนไม่ได้บอกคุณหญิงหรอกถือว่าผมมาตามสมเจตตัวนี้ระหว่างที่เชษถากับชายยันอึง้งเพราะความอัศจรรย์ใจในข้อที่ว่าคู่หนีช่างทันการเสียทุกฝีย่างก้าวดารินทำหน้าตาตื่นไกถามมาว่าเอ๊ะ ไม่เห็นแง่า ย, ายบอกอะไรเราสักนิดทำไมคุณรู้ได้ยังไงว่าแง่ท า, ายเห็นรอยสมเสร็จตัวนี้ก่อนคุณพรานใหญ่หวเราหึห่ทำไมผมจะไม่รู้ผมสังเกตเห็นรอยสมเสร็จตัวนี้ก็เพราะแง่ทายนั่นเองหมอเดินรังท้ายก้ๆยยมๆเงยๆสำรวจอะไรอยู่ผมสงสัยก็เลยไถยลวกไปดูจึงพบรอยเข้าที่ไม่ได้บอกก็พรเห็นว่ามันไม่สำคัญอะไรแค่สมเสร็จเดินตัดหน้าเราไปก่อนเท่านั้น และในตอนนั้นก็ยังไม่มีความคิดที่จะเอาตัวมันมาเป็นเหยื่อร่ายเคตอนที่ผมบอกให้พวกคุณรอแล้วเดินตามสมเสร็จตัวนี้แงา่ายก็น่าจะต้องรู้แล้วเฮอไม่เห็นแงาซายบอกอะไรนี่ดารินพูดหน้าตารอบสะกิดแงา่ายไว้เชษฐากับชายยันอมยิ้มมองดูพรานนำทางและคนใช้ชาวโดงอย่างพึงพอใจในไหวพิบชั้นเชิงที่กินกันไม่ออกและพินไม่ได้สนใจอะไรอีก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 รา้พินก็นำกลับมาอย่างดินชายฝั่งตรงบริเวณที่หมายตาไว้แต่แรกว่าจะใช้เป็นแนวข้ามคงทิ้งให้แง่ทรายคอยทำหน้าที่อ่อยเยือเพียงคนเดียวโดยนัดให้คอยสังเกตสัญญาณจากเขาที่ว่าจะให้ทิ้งซาสมเสร็จตรงไปเมื่อใดพรานใหญ่เตรียมตัวเสร็จก็หันไปทางแง่ทรายขายับจะโบกมือเป็นสัญญาณให้ปล่อยเยือแต่แล้วก็ชะงักเพราะเชฐาเหนียวแขนไว้ก่อนท่วงมาว่าเดี๋ยวก่อนนะเพี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 หวังว่าขณะที่พวกเรายืนมองดูคุณเดินข้ามห้วยอยู่บนฝั่งนี่คงไม่เห็นได้แค่มันข้ามคุณหายไปต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาเหมือนหมูป่าตัวนั้นนะดารินพูดพร้อมกับหูเรา ก, ก่อยๆมันจะข้าผมไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปืนสี่กระบอกบนฝั่งที่จะยิงคุ้มกันให้ครับกรุณาคุมสถานการณ์นี้ผมด้วยขณะที่เดินท่องไปสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ารีบร้อนจนยิงถูกผมเข้าก็แล้วกัน คนอื่นน่ะไม่ไกลหรอกสำคัญแต่น้อยคนเดียวเท่านั้นน้อยยิงปืนดีก็จริงแต่ไม่ค่อยจะระวังเลยแล้วก็ผีผามใจร้อนชายันว่าดาบินถอนใจเบาๆบอกมาเรียบๆว่าถึงว่าสิยิ่งเดี๋ยวนี้มือมันสั่นๆอย่างไรพี่กลจิตใจก็ไม่ค่อยปกติถ้าพลาดพังยังไงแล้วก็อโหสิทธ์นะพลานใหญ่กระเดือกน้าลายฟืดๆแล้วหันไปโบกมือให้สัญญาณแก่งแง่ายผู้รอคอยอยู่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 ตำแหน่งนั้นก็คลากรามไปด้วยฝูงชาลวันนับสิบ ท, ที่เข้ามาถึงก่อนก็ตรงเข้าขยั่มกัดทึงอย่างหิวกระหายดุร้ายแย่งกันเป็นพารวันที่อยู่ห่างออกไปก็พยายามฟัดฟาดหาว่วยรีแข่งกันเข้ามาอย่างรวดเร็วบริเวณนั้นทั้งหมดอนมานชุนมูลไปทั่วมันเป็นภาพที่น่าสะเพึงกลัวยิ่งเชษฐาดาลินชา ย, ยันไดเกิดขึ้นไปอยู่บนฝั่งตะลิงสูงถือปืนเตรียมพร้อม ในขณะที่พรานใหญ่ย่อนกายลงไปในน้ําอย่างเงียบกริบช่วยโอกาสขณะที่จระเข้ส่วนใหญ่ของบริเวณําคลองตอนนั้นกําลังสนใจอยู่กับซาเหยื่อที่แง่าโ ย, ย, ยนลงไปล่อเดินลุยน้ําตัดออกไปอย่างรวดเร็วในมือกระชับไรเฟิลกว่าสายตาระวังวายไปรอบด้านยิ่งห่างออกไประดับน้ําก็ลึกลงทีละน้อยครั้งแรกก็แค่เอวและบัดนี้เมื่อเดินออกไประยะหนึ่งในสมของความกว้างมันก็ต่ํำลึกขึ้นมาจนถึงระดับอ ก, อก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 ผู้ยืน อ, อยู่บนฝั่งมองเห็นจำ้ำริทูยูแห่งน้ำดำได้อย่างถนัดคั้นแล้วก่อนที่เราพินจะตัดสินใจอย่างไรถูกไรเฟิลทั้ง4ี่กระบอกก็ระเบิดขึ้นกึกก้องประสานการสะเทือนไปทั้งลําคลองเสียงน้ําแตกกระจายคืนโครมใกล้เคียงตัวเขาห่างเพียงไม่กีว่วาแล้วแผ่นท้องสีขาวก็ฉแฉลบพลิกขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับท่อนหางอันใหญ่โตเลือดแดงฉานละลายปนไปกับน้ําสีค้ามันยิ่นผงผางอยู่รอบตัวเขาอย่างชนิดบุดหวิดจวนเจียน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 เพราะส่วนมากของพวกมันมัวแต่ไปสนใจอยู่กับราตสมเสษของแงสายห่างออกไปเชิดถาดาบินชายานละเกิดช่วยกันยิงอย่างมีจังหวะและปราณีตโดยจะเลือกยิงเฉพาะตัวที่มันปีเข้าไปจนจะถึงตัวรานใหญ่เท่านั้นและเป็นการยิงที่สัตว์สุดยิ่งถ้าลั่นขึ้นนัดหนึ่งก็หมายถึงพลิกท้องไปนหนึ่งตัวโดยไม่จะเป็นต้องซ้าเป้าหมายที่ยิงก็คือศีรษะหรือไม่ก็กานคอ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 คลื่นกระฉอบของน้ำนเกิดจากการดิ้นดนของพวกมันที่ถูกยิงไปก่อนยังช่วยอำพลางไว้พอประทับ ป, ปืนขึ้นไอไวายร้เจ้ากรรมก็อยู่เป็นแนวระดับเส้นตรงอันเดียวกับแผ่นหลังของพลานใหญ่เสียด้วยและโดยมุมยิง45องศาเ ช, าชน่นนี้ไม่มีสิ่งใดมาประกันได้ว่ากระสุนจะเฉแดบขึ้นหรือไม่ชายยานดาลินและเกิดก็มองเห็นในเวลาได้เรียกกันอย่างตกตะลึงขยับปืนขึ้นพร้อมกัน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 ใช้ความยาวของช่วงไรเฟิลยันไว้ไม่ให้มันบุกเข้าถึงตัวเสียงพรักพวกบนฝั่งตะโกนบอกมาอย่างอกสานขวัญแขวนให้เขายิงต่างอดพิศวงในความใจเย็นของรัพินเสียไม่ได้เขาเล่นกับมันเหมือนเล่นกับเจอร์เคยียงหรือมิฉะนั้นก็สัตว์เลี้ยงเชื่องเชื่อแทนที่จะยิงให้มันคว่ำไปในทันทีและเท่าแล้วเท่ารอดรพินก็ไม่ยอมยิงเจอร์เคียตัวนั้นให้เปลืองกระสุนใช้ปากกระบอกปืนกระทุ้งเข้าบริเวณจุดอ่อนในปากของมัน พราวก็เดินถอยเข้าหาฝั่งซึ่งตื้นเข้าไปทุกขณะจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดปัญญาเบนหัวพระนี้ไปเองถ้าถูกเจ็บเข้าหลายครั้งพรานใหญ่ขึ้นฝั่งตรงข้ามได้โดยเรียบร้อยหันมาโบกมือให้กับคณะนายจ้างอีกฝั่งหนึ่งเออเนี่ยเล่นกับแกสิตานี่ชายยันคลางอ้วกมาเพื่อนเอาปากกระบอกปืนกระทุงเล่นสิ ง, งั้นแหละไอ้วายร้ายนั้นเปิดอ้าวไปแล้วทาไมไม่ยิงมัน็คว่มไปเสียแล้วรุรอด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 ขณะนั้นแง่าสายวิ่งย้อนกลับเข้ามาสมทบเป็นเวลาเดียวกับที่รพินปีนขึ้นไปอยู่บนตลิงสูงของฝั่งโน้นส่งสัญญาณให้คณะนายจ้างข้ามฝากตามที่นัดแนะไว้แล้วเจ้านายข้ามเร็วเดครับผ่านหา่บอกมาแล้วผมกับแง่าสายจะช่วยคุมให้เองเกิดเตือนมาโดยเร็วพร้อมกับบรรจุกระสุนเข้าสองปืนทั้งสามกระโดดลงจากตลิงสูงโดยเร็วเดินตัดลงชายตลิงและแบกไรเฟิลพาดบ่าไว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 บางแห่งเป็นโขดหินที่ลื่นไปด้วยตะไคร่ดารินเสียหลักเซธสามจะล้มลงน้ำอยู่สองสาครั้งแต่ชายยันกับเชษฐถาช่วยกันหิ้วแขนไม่ได้ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องพยายามจะเคลื่อนไปหน้าอย่างเร่งรีบที่สุดแต่ละก้าที่ลุยไปในกระแสน้ำสีคร้ำอันเย็นประหลาดรู้สึกว่ามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าหรือประมาณพอผ่านมาถึงใจกลางคลองทั้งสามก็ตกอยู่ในกลางที่ล้อมของเหล่ากุมพีร้ายอีกครั้ง เงาตะคุ้มที่พุ่งแหวกน้ำเข้ามารอบด้านมองเห็นกราดเกลื่อนอยู่ทั่วไปและในครั้งนี้ดูเหมือนมันจะหนาแน่นกว่าเมื่อครั้งที่เราผินข้ามมาเสียอีกระวังมันแหกันเข้ามาแล้วชายยันร้องเตือนปืนสั้นสามกระบอกก็ผลักกันระเบิดออกไปตามจังหวะที่ใครจะสังเกตเห็นเป้าหมายได้ก่อนในขณะที่ลงมาแช่ลุยน้ําอยู่เช่นนี้มันดูเหมือนจะอํานวยผลได้ดีกว่าไรเฟิลเสียอีกเพราะคล่องแคล่วรวดเร็วกว่า กระสุนดินขับแรงสูงขนาดจุด 4-4 แมกนัมสองกระบอกและจุด 3-5-7 อีกกระบอกหนึ่งสักสิทธ์พอใช้สำหรับสัตว์ขนาดจระเข้และระยะยิงที่กระชั้นชิดเช่นนี้หลายนัดแฉลบกระผิวน้ำผ่านเลยไปแต่หลายนัดก็จับเข้าเป้าหมายอันเป็นสันจมูกหรือศีรษะหงายท้องขาวไปทุกตัวที่ถูกกระสุนบางตัวโดนไม่ถนัดนักก็เบนหัววิ่งน้ำแตะพระนี้ไปด้วยความเจ็บปวด แง่ทรายกับเกิดที่อยู่บนฝั่งเดิมยิงช่วยมาอย่ามีจังหวะคนละสองสานัดส่วนพลายใหญ่และพินที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ยิงลงมาเลยกลับยืนโบกมือให้พร้อมกับร้องเร่งให้ทั้งสามรีบรุดหน้ามาเพราะพิจนาเห็นว่าคณะนายจ้างทั้งสามพอที่จะใช้ปืนสัน้นคุมสถานการณ์ให้ตนเองได้ปลอดภัยเพียงพอดารินยิงกรอกปากเจ้าตัวหนึ่งที่ไหวด่ดิงเข้ามาข้างหลังห่างเพียงวาเดียว มันดิ้นราวกับพายุสระตันและสะบัดหาฟาดน้ำตูมใหญ่ทำให้เสียหลักล้มขมามลงไปในน้ำทั้งสามคนแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากนักนอกจากเปียกปอนไปทั้งตัวเชษฐาก็กดตรงไปกลางหัวของตัวที่บุกเขาโจมตีทางด้านขวามือพิกแฉลบไปสามสี่ทอดแล้วจมดิ่งลงไปไหงายท้องอยู่กับพื้นเบื้องล่างเลือดแตกเป็นพรายส่วนชยยันกระสุนหมดรังเพลงิงกำลังสารววนบรรจุอยู่ แต่ไอหน้ายักษ์ตัวที่ทำหน้าที่สุดพุ่งทื้อเข้ามาใกล้อีกเพียงช่วงตัวเดียวก็จะถึงตัวอดีตนายทหารปืนใหญ่ผงะถอยหนีพร้อมกับร้องเสียงหลงโรน้อยทางด้านนี้ดารินหันขวับมาพร้อมเชษฐาพร้อมกับเหนียวไกลจุดส5 7หในมือของหล่อนมีสภาพอันใดไม่ผิดกับชายยันคือเข็มแทงจนวนสับลงไปบนปลอกกระสุนเก่าที่ยิงแล้วเสียงดังแะแต่โชคดีหรือเกิน ของเชิดฐานระเบิดตูมไอตัวนั้นตักหัวลงไปในน้ําบันท้ายโผล่ขึ้นมาพร้อมกับน้ําแตกกระจายลําตัวที่พุ่งมาโดยแรงกระทบสีข้างชายานล้มคว่ำลงไปในน้ำํำดารินกระชากคอเสื้อหิ้วพยุงขึ้นมาแล้วพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพราะระดับน้ํำตื้นเพียงโคนขาเท่านั้นกว่าจะผ่านพ้นขึ้นมาถึงฝั่งได้ก็ใจหายใจความและเหน็ดเหนื่อยกันแทบขาดใจบ้าจริงทําไมไม่ช่วยยิงค้มกันให้เราบ้าง หญิงสาวถามอย่างเดือ ด, เ, ด, ดเมื่อปีนขึ้นมาถึงฝั่งสูงที่พานใหญ่ยืนยิ้มรอคอยอยู่ก่อนแล้วเหมือนจะมองเห็นผ้าปะจนภ่ายกลางลำห้วยของคณะนายจ้างทั้งสามเป็นเรื่องสนุกชวนขบขันที่สุดปืนของผมเหลือลูกอยู่หกนัดเท่านั้นเป็นคําตอบเรียบๆพร้อมกับอาการยิ้มๆเช่นเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตนะแค่ในเรื่องเล็กเราจะต้องอยู่ในหุบนี้อีกวันเต็มๆยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญอะไรบ้างก่อนที่จะถึงแคมป์ใหญ่ของเรา ที่สำคัญที่สุดก็คือพวกคุณหญิงผ่านมาได้เรียบร้อยดีไม่ใช่หรือครับเชิดากับชายยานหัวเราะเพราะเข้าใจพานใหญ่ดีแต่ดารินบ่นาพามสาบแช่งเขาด้วยความโมโหหล่อนใจหายใจความในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ยิ่งกว่าทุกคนและผินไม่ต่อร้อต่อเถียงหรือสนใจเชื่อไรกับถ้อยคําของหล่อนอีกหันไปโบกมือให้งแง่ทรายกับเกิดเริ่มข้ามตามมาอีกเป็นชุดสุดท้ายคณะนายจ้างทั้งสาบรรจุกระสุนปืนสั้นประจําตัวจนครบ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 เพราะไม่เคยชินต่อการถูกสังหารมาก่อนและดูเหมือนจะไม่ยอมเข้าใจเอาเลยว่าพวกมันที่รอยฟ้องหงายท้องขาไปนบับสิบสิบตัวในขณะนี้มีสาเหตุมาจากอันใดดังนั้นดะรอที่สามก็ด่าหน้าเข้าหมายโจมตีเกิดกับแง่ทรายอีกโดยไม่ยอมหยุดยั้งข็ดลาบมันแข่งกันว่ายดีเข้ามาจากทุกทางเท่าที่มันจะมองเห็นเจระเเค่ในรําห้วยแห้งนี้ไม่ใหญ่โตมาหึมาเหมือนกับเท่าที่เห็นมาแล้วในเจ็ ก, กางบึง แต่ก็เป็นตัวขนาดกำลังว่องไ ว, งวปราดเปรียวทั้งสิ้นลำตัวอ้วนสัน้นหน้าหักยู่และโคนหางอวดใหญ่อุ้งตีนติดกันเป็นพืชแบบตีนเป็ดซึ่งช่วยในการพุ้ยน้ำได้อย่างรวดเร็วในนาทีวิกฤตและจำเป็นยิ่งเช่นนี้เชษฐาวราริศหัวหน้าคณะเดินทางมีฝีมือในการยิงปืนสั้นไม่ได้ด้อยกว่าน้องสาวผู้จัดว่ายอดเยี่ยมเลยจนนิดเดียวอดีตนายพันโททูทหารบกเชื้อพระวง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 ก่อนที่มันจะแหวงตัวเข้าคาบแง่สายก็เพ่นเข้าเอาหลาวไม้ไผ่สวนทะลวงเข้าไปในปากที่อ้าออกแล้วเสือเข้าไปในราคอของมันเต็มเนียวมันงับปากลงทันทีอย่างดุร้ายหนุ่มกระเบียงพเนจรกําปลายอีกด้านหนึ่งไว้มั่นกระทุ้งทะลวงเข้าไปอีกด้วยลําคออันกํายําแข็งแรงเกิดก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาได้ตรงเข้ากระนำฟันอย่างมิยั้งท่ามกลางการฟาดหาสนันวันไหวของมัน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 ทั้งหมดวิ่งลงจากฝั่งตลิ่งสูงลงไปดิมหาดโดยเร็วดารินส่องปากกระบอกปืนตรงไปที่ศรีรษะของมันหมายจะซ้ำแต่แง่ า, ายร้องห้ามปนหัวเราะเฮาห่าวว่าอย่านะหญิงเปลืองลูกปืนมันไม่มีทางอีกแล้วดารินชะ ง, งักเงยปากกระบอกปืนขึ้นไอวายร้ายแห่งน้ําดําดิ้นโดนอยู่ไปมาบนพื้นทรายดิมฝั่งพร้อมกับฟัดฟาถ า, างอย่างรุนแรงน่ากลัว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 แล้วก็เบาใจเมื่อเห็นว่าไม่เป็นอันตรายอะไรมากนักนอกจากเสือ้อตรงบริเวณไหล่ขาดและมีรอยช้ำเล็กน้อยเพราะถูกไม่ถนัดนักฉันนึกว่านายจะหลังหักที่แล้วอีกตอนที่ถูกมันฟาดลม้มลงชา ย, ยานเป่าลมออกมาจากปากเข้ามาตบไหล่พรานพืนเมืองผู้ทรหดเกิดยิ้มแห้งๆคำป้อยอยู่ที่ไห่แล้วหันไปสบดสบาสาบแชงไอ้ชารวันตัวนั้นถ้าถูกจั ง, จงเกิดก็ไม่เป็นเกิดแล้วครับเจ้านาย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 มีแต่พวกเราเท่านั้นที่ยิงกันอย่างไม่อั้นก็ดีเหมือนกันถึงอย่างไรพวกเราก็ข้ามมาได้แล้วเจ้านายจะลองเนื้อไอ้นี่ดูบ้างไหมครับมันจะกินเราเราก็ต้องกินมันดูมั่งผมแล่เนื้อเองตรงโคนหานี่เด็ดนักหญิงสาวอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งทําท่าเหมือนจะอาเจียนขนาดชายยานผู้ ก, กินไม่เลือกและชอบที่จะทดลองกินทุกอย่างอย่างเบ้ปากสันหัวขอทีรายการนี้เห็นจะไม่ไหวแน่ เห็นรูปร่างหน้าตามแล้วก็เดือดไม่ลงสาคัญที่สุดก็คือเรายังไม่อดนักหรือผู้กองอยากจะกินก็เอานะคราวนี้ไม่ขาดแล้วเชิญตามสบายเมื่อเช้านี้หมดสักยาเป็นก้างขวางคอปล่อยตาวไปเสียตัวหนึ่งจะมาขาดคอเรื่องตะเค่ตัวนี้อีกเดี๋ยวจะผิดใจกันสิปปเปล่าๆดาลินหันไปพูดหน้าเฉยกับกระพินเนื้อตะเค่ก็เหมือนอนกับเนื้อตะกวดหรืองูเหลือมนั่นแหละ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 สมมติว่าที่ต้นไม้หรือต้นผลไม้ต้นไหนมีมดแดงชุมเฝ้าอยู่มากๆเขาก็จะเอาเนื้อตะเข้สดๆไปแขวนไว้ที่ต้นนั้นล่อให้ฝูงมดแดงมากินพอพวกมันกินเนื้อตะเข้ที่แขวนล่อเอาไว้เข้าไปภายในอาทิตย์เดียวก็จะงอปีกแล้วพากันบินไปหมดต้นไม้ต้นนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีมดแดงเหลืออยู่เป็นวิธีกําจัดมดแดงได้อย่างแนบเนียนโดยระม่อมที่สุดไม่เชื่อลองดูก็ได้ครับถ้ามีโอกาส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 แพทสาวคนสวยยืนจ้องหน้าเขานิ่งเมมลิ้มิีปากแน่นคอแข็งอยู่เป็นเวลานานเชี่าและชายยานพากันหัวเราะลั่นแปลว่าคุณต้มฉันโดยเจตนาหล่อนคำรามออกมาจากลำคอด้วยเสียงน่ากลัวก็ไม่ได้ต้มหรอกครับเพียงแต่หลอกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีขึ้นแก่ตัวคุณหญิงเองถ้าผมไม่บอกว่ายานนั้นเป็นยาป้องกันท่าเกาะคุณหญิงก็คงไม่ยอมมาด้วยเท่านั้น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 ระผินก็ประหลาดใจเหมือนกันเขาคิดว่าคงจะได้รับการโวยวายเกี่ยวกลาดจากรอนเป็นยกใหญ่แต่กลับเห็นหล่อนเยือกเย็นลงผิดไปกว่าเคยเพียงแต่พูดปนหัวเราะต่ำๆมาว่าขอบใจมากที่อุตส่าห์บอกความจริงให้รู้หวังว่าวันพระคงไม่มีหนเดียวหรอกอย่าให้ถึงข่าวของฉันบ้างก็แล้วกันไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยน้อยนี่ชยายยันว่า ทีเรายังหลอกเอนน้ําการฉีดแทนยาแก้ปวดให้แกเขาได้เขาก็หลอกเอาน้ํามันทาแก้มเมื่อยโดยบอกว่ากันท่าเกาะให้เราทาบ้างมันก็ยุติธรรมสมน้ําสมเนื้อกันดีแล้วนี่ก็ใครบอกแล้วว่าฉันเอาน้ํากานฉีดนายแพทย์สวนกลับไปตวาดแว๊บถ้าเอาน้ํากานฉีดป่านนี้ก็ตายไปแล้วไม่อยู่กวนโทรโศมาได้จนทุกวันนี้หรอกอ้าวก็ไหนบอกว่าเราทําอย่งงางนั้นไงล่ะดาลินหน้างอพูดโพ่องออกมาอย่างหลงกล ฉันก็พูดไปอย่างนั้นนะสิพวกเธออยามาบลัฟฉันก่อนทําไมล่ะพรานใหญ่อมยิ้มเป็นนั้นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณหญิงถ้ายาฉีด ท, ที่คุณหญิงเคยให้กับผมและคุณชัยยันเป็นยาที่ถูกต้องตร ง, ตรงกับวัตถุประสงค์ในการรักษาโดยวิ่ใช่น้ํากลันน้ามันที่ผมให้คุณหญิงทาก็เป็นน้ํามันประเภทป้องกันพวกแมลงและปิงท่าจริงๆแต่ถ้าคุณหญิงเอาน้ํากลัฉีดให้น้ํามันของผมมันก็เป็นเพียงแค่น้ํามันทาแก้เครสเท่านั้น หม่อมและชวงหญิงคนสวยเพิ่งจะมารู้ตัวเอาบัตรนี้เองว่าเสียเชิงถูกกรอกเอาหลายตลบนึกเจ็บใจที่ตนเองกลับเป็นฝ่ายพาซื่อเสียรู้ตามไม่ทันพูดอะไรต่อไปไม่ออกได้จะนั่งหัวเราะหึ อ, อย่างเดือดดานพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายประสาทอันเคร่งเครียดจากเหตุการณ์ทิพเผชิญกับฝูงจระเข้ในลำห้วยทางข้ามพอจิตใจเป็นปกติดีแล้ว การเดินทางก็ตั้งต้นต่อไปแข่งกับเวลาที่เย็ยนย่ำลงทุกขณะอึดใจใหญ่ต่อมาขณะที่ตายขึ้นไปบนป่าโคกซึ่งหนทางเริ่มจะรกทึบด้วยไม้ใหญ่ได้สูงขึ้นทุกขณะก็พบกับด่านกระทิงมีรอยเหยียบย่ำเกลือนเป็นหมดฝูงหนึ่งประมาณเจ็ดแตตัวได้เดินขึ้นขาวล่วงหน้าก่อนแล้วสักเมื่อตอนเที่ยงนี้รอยยังใหม่ๆอยู่และพิณ น, นาเดินตามหลังรอยกระทิงฝูงเหล่านั้นไป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 แต่แทุกคนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีเพราะปรากฏว่าภายหลังจากหมูฝูงนั้นพาการวิ่งหายรับเข้าริมทางไปหมดแล้วมีลูกหมูตัวหนึ่งน้ําหนักประมาณสิบห้ากิโลฟุบนิ่งอยู่กับที่กระสุนจุดสสี่แมกนัมของชายยันทะลุซอก ข, ขาหน้าของมันอย่างบังเอิญที่สุดมือหาหารของคุณชายยันวันนี้ฉมังเหลือเกินแช่มชื่นอีกแล้วสําหรับมื้อขําของเราวันนี้ระพินพูดตรงเข้าไปหิ้วขาลูกหมูตัวนั้นขึ้นมา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 ภายหลังจากโปร่งสัมภาละปัดกวาดถากถางพออาศัยเป็นที่พักชั่วคราวและหาฝืนก่อไฟขึ้นแล้วเกิดก็หุงข้าวตามหน้าที่ซึ่งมีเหลืออยู่อีกเพียงสามกำมือเท่านั้นแง่ายไปขุดมันมือเสือมาเผาเพิ่มเติมแทนข้าวที่มีปริมาณน้อยกว่าคนหกคนจะกินกันได้อิ่มส่วนรพีนก่อไฟรางขึ้นอย่าปลาณีตเผาถ่านจนคุระอุได้ที่จัดการผ่าท้องลูกหมูควักเอาเครื่องในออกล้างน้าสะอาดดีแล้ว ก็ตัดใบกล้วยอ่อนๆมาเค้ากับเกลือยัดเข้าไปในท้องมันจนอัดแน่นแล้วใช้หวายเส้นเล็กๆเกย็บลอยผ่าไว้ตลอดจนเป็นตัวดังเดิมตัดไม้เสี่ยมแหลมเสียบจากปากทะลุออกก้นแล้วนำขึ้นพาดย่างบนหลักไม้งามสองอันที่ปากไว้ปากหลุมไฟร่างทั้งสองด้านคอยนั่งพลิกหมุนและตรวจไฟอยู่อย่างพิถีพิถันขณะนายจ้างเข้ามานั่งล้อมวงดูเขาจัดการกับหมูตัวนั้นอย่างทึ่งๆเห็นจากกรรมวิธีในการทา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 ซึ่งบัด น, นี้ทุกคนดูเหมือนจะเคยชินกับสภาพของป่า ก, กันพอสมควรแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากมันเริ่มส่งกลิ่นอันหอมหวนหมูหันตัวนั้นก็เหลืองอร่ามไปทั้งตัวราวกับเอาออกมาจากเตาอบชั้นดีและพินจัดการยกโลงจากกองไฟวางลงไปในเบตองที่ปูไว้กรีดผ่ารอยที่เย็บงัดเอาเบตองซึ่งยัดไว้ออกและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นลูกหมูตัวนั้นก็ไม่มีส่วนใดเหลืออยู่นอกจากกระดูก ทุกคนอิ่มหมีพีมันและเต็มไปด้วยรสชาติอันโอชะชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนนับตั้งแต่ได้ลิ้มรสกับอาหารป่ามาสงสัยว่าลูกหมูป่าจะหมดป่าคราวนี้เองเห็นที่ไหนชายยันคงเอามาหันกินหมดเชื่อถ่าว่ามันน่านักพระพินเข้าป่ากันมาตั้งนานเพร่งจะทำของดีให้กินอวันนี้เองชายยันหันไปตอว่าพรานใหญ่ขณะที่ยังแทะกระดูกขาอยู่อย่างเสียดายทั้งๆั้งที่เนื้อหมดแล้ว เรื่องตะกะแล้วก็ต้องยกไว้ให้ดาลินพูดเสียงหนักๆแล้วมองไปทางพรานใหญ่เก่งทุกอย่างเลยนะในพรานแม้กระทั่งวิธีประดิษฐ์ประดอยทำอาหารยอมรับว่าหมูหันของคุณตวนี้เลิศที่สุดหมูหันในพัตคาญังสู้ไม่ได้จริงๆนั่นเป็นคำนิยมจากใจจริงเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินจากปากของนายจ้างสาวสองทุ่มเศษเล็กน้อยระหว่างที่เตรียมตัวจะนอน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 ต่อมาก็มีเสียงหอนไกลๆของหมาป่าแล้วก็หยุดหายไปอีกชั่วอึดใจใหญ่ๆที่ป่าทั้งป่าตกอยู่ในความสงัดปราจาาสั่าสาเนียงใดๆแม้แต่มแมลงสักตัวก็ไม่มีทําเสียงขึ้นนอกจากเสียงไม้ประตุอยู่ในกองไฟเบาๆแง่าสายเงยหน้าขึ้นสายจมูกร่อนไปมาในอากาศสวนระพีนจ้องสังเกตไปยังควันไฟที่ลอยกุลเพื่อจะกาหนดทิศทางลมให้แน่ชัด ระหว่างนี้เป็นความเงียบด้วยใจอันตื่นระทึกของคณะนายจ้างทุกคนแม้ทั้งสามจะอ่านรหัสของป่ายังไม่ออกได้แม่นยำแน่ชัดนะักแต่อาการท่าทีของจอมพรานก็ดีหรือคนใช้กระเลียงพจนจจรก็ดีเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ทราบถึงสิ่งผิดปกติแต่ไม่มีใครปิดปากถามนอกจากประสาทอันตื่นพร้อมแล้วคำตอบก็ปรากฏออกมา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 ในความเงียบเช่นนี้มันดังคืนโครมสะท้อนไปทั้งป่าพร้อมกันก็มีเสียงสวบสาบดังขึ้นในดงกล้วยเบื้องหน้าของพรานใหญ่เหมือนสัตว์อะไรชนิดหนึ่งจะเพ่นไปด้วยความตกใจอันเนื่องมาจากเสียงกิ่งไม้หล่นนั้นและพินเดินดุ่มๆกลับเข้ามากิ่งไม้เจ้ากรรมทํามันตกใจเพ่นหนีเสียก่อนหมอบอยู่กับหลังกอบอนข้างหน้าผมห่างสักสิบวาเท่านั้นกําลังจะฉายไฟอยู่พอดีเขาตอบเรียบๆ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 คราวนี้ดังห่างออกไปทางดงด้านขวาพ่านใหญ่บุ้ยป่าไปทางบ่อน้ํำซับเบื้องหน้าของปางพักซึ่งอยู่ในระหว่างดงบอนอันขึ้นอยู่แน่นทึบห่างออกไปประมาณสามสบก้ามันจะลงมากินน้ําที่บ่อน้ําซับนั่นแต่ติดขัดที่พวกเรามาพักนอนกันอยู่ที่นี่ก็เลยวนเวียนงุนง่านแต่ความจริงแหล่งน้ําบริเวณ น, นี้หาได้ไม่ยากนะักมีอยู่แทบทั่วไปมันอาจเปลี่ยนความตั้งใจไปที่อื่นก็ได้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 ซึ่งกระพินก็เห็นชอบด้วยเพราะพวกเขาตื่นง่ายและหลับง่ายจะตื่นหรือหลับเวลาไหนก็ได้ทั้งสิ้นอย่าลืมปลุกผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรแล้วก็อยากออกนอกกองไฟกระพินกำชับย้ำมาอีกครั้งก่อนที่จะเอาหมวกหลบลงมาปิดหน้าไว้ไม่นานนะักทุกคนก็หลับลงหมดเหลือแต่ชั ย, ยันคนเดียวท่ามกลางความเวทเกลียวเปล่าหน้าสะพึงกลัวของป่าใหญ่เวลาผ่านไปอย่างเช่มช้า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 ทำไมมีอะไรหรือเชษดถาถามเร็วปือขยับตัวลุกขึ้นนั่งตรงทันทีจ้องหน้าสหายอาดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะเสียงแปลงอยู่ในลำคอหนาวสถานสั่นเทาเห็นได้ชัดดารินนอนวหวตามนิสัยของรอนตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงพูดเปิดม่านตานอนดูอยู่เงียบๆประสาทมันเล่นงานฉันเข้าให้แล้วเขาพูดยากเย็นพยายามจะหัวเราให้เป็นเรื่องขบขันตากระผูดูมันลวงลว ง, งตัวเองพิลึก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 อกเปื่อยพัน์สรงลายดอกเหลืองดำไว้เครื่องลำตัวขาดเป็นริ้วสูงเกินขาอ่อนขึ้นมาหล่อนั่งไกวเถาวันช้าๆปลายเท้าเลียดดินพอเั้งฉายไฟก็เบนหลบเข้าหลังโคนไม้พอดับไฟไปเดียวก็กลับมาแก่งชิงช้าเทาวันอีกเป็นอย่างนี้ตั้งสองสามหนทีเดียวตอนฉายไฟเห็นหน้าไม่ถนัดเห็นแต่ส่วนข้างกับด้านหลังวัยวเท่านั้น ตามันฝาดยังไงก็ไม่รู้เห็นซ้ำๆซากๆอยู่ได้และหลงประสาทไม่ดีอย่างนี้นอนดีกว่าแกอยู่ยามแทนฉันเถอะระหว่างที่เชิฐามองไปที่ต้นไม้ใหญ่และหันกลับมาจ้องหน้าชายยันสลับกันนั้นดาลินก็ลุกขึ้นเดินมาซุดตัวลงนั่งตรงหน้าทอดถุงมือออกเอาหลังมืออังที่ซ่อคอและหน้าผากของชายยานันแล้วก็บอกต่าๆว่าก็ทาไมจะไม่เห็นละ่ะในเมื่อเธอกาลังจับไข่ยอยู่นี่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 พรานใหญ่ถามชายันไม่สบายประสาททำพิษจะเห็นอะไรต่ออะไรเด้อเธอไปหมดแต่ไม่เป็นไรมากนักหรอกมีไข้ขึ้นบ้างนิดหน่อยเท่านั้นให้นอนพักเสียพรุ่งนี้ก็เรียบร้อยแพทย์สาประจําคณะตอบเรียบๆแล้วหล่อนก็ไปนอนที่ตามเดิมชายันไม่เคยตาฝ่ายอย่างนี้มาก่อนเลยเชิดาเอ่ยขึ้นต่ําๆกับพรานใหญ่ขอบุหรี่ไปต่องแห้งจะกเขาไปจุดสูบมวนหนึ่ง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 ถ้ายัางไงแล้วก็นอนพักเสียดีกว่าผมจะเฝ้าให้เองหัวหน้าคณะเดินทางหัวเราะตบไหล่จอมผ่านผมแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วพินจะนอนเสถะไม่ต้องห่วงหรอกอ้อเอาบุหรี่อย่างว่านั่นทิ้งไว้ให้ผมอีกสักสามสี่มวนด้วยแก้ง่วงแล้วพินวางกล้องอยาเส้นและใบตองแห้งทั้งชุดไว้ให้นายจ้างของเขาแล้วกลับไปล้มตัวลงนอนเอาหมวกปิดหน้าไว้ตามเดิมเวลาผ่านไปอีก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 สายตาก็สายไปยังกลุ่มเถาวันโคนต้นกระบากใหญ่เชิดถาก็ตะลึงพึงเพลเย็นสยองเขาไปถึงไขสันหลังเพราะความกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนกิ่งเถาวันใหญ่ที่ตัดจากใบอันทอดย้อยลงมาราวกับเปรอยู่เลียดพื้นดินกิ่งนั้นขณะนี้โยกไหวอยู่ไปมาอย่างเช่มช้าเงารางๆที่นั่งเกาะไหวอยู่นั้นเสื่อทรงน่าจะเป็นมนุษย์ เขากัดริมฝีปากตนเองอย่างแรงเบิกตาจ้องเขม่งพร้อมกับนึกสาบแช่งสายตาของตอนเองที่มันฟั่นเฟือนไปได้ถึงขนาดนั้นกองไฟใหญ่ได้เชื้อฟืนอันไวไฟเข้าอันหนึง่งประกอบกับที่ลมหวนมาชั่วบุบมันลุกสว่างโช่ส่องแสงสว่างขึ้นอีกภาพที่โคนไม้ใหญ่ต้นนั้นเห็นชัดยิ่งขึ้นเห็นแม้กระทั่งแววตามันปรากของใบหน้าจิ้มริ้มราวกับผุ่นปั้นดวงนั้น เส้นผมที่ยาวสยายมะไรากล้วยไม้สีเหลืองสลับดำที่สวมประดับอยู่ราวกับมงกุฎลำคอเรียวระหงไหลลาดและให้ฟ้าโถมโรคทลายไปในบัดนี้เถิดเชิฐาสมบดกล้องอยู่ในสมองสวงอกของหล่อนงามสะพ่างปราศจากสิ่งปกปิดประกอบด้วยประทุมถันเต่งตั้งจูชันเบียดชิดกันอยู่ทั้งคู่ตรนหนึ่งจะทัดเสียบรูจีบเอาไว้ได้ในระหว่างร่องงอนกระชับชิดนั้น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 แม้กระทั่งสล่งเหลืองดำผืนเท่ากระแบะมือขาดเป็นริ้วที่พันอยู่กลางลาตัวอย่างร่าแหลมเชษฐาสํารวมสติได้ในพริบตานั้นสะบัดหน้าขยี้ตาแล้วค่อยๆลืมขึ้นอีกครั้งจ้องไปยังทิ่หมายแห่งเดิมแล้วก็ตะลึงไปอีกครั้งในการลืมตาครั้งนี้เขามองไม่เห็นสภาพสาวน้อยผู้นั้นเสียแล้วเห็นแต่เพียงกิ่งขาวันที่ยังไหวอ ย, อยู่เบาๆเขาก้มหน้ามองดูกองไฟใหม่ในลักษณะเดิม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 แสงสว่างจากกองไฟที่รุกพร่ำพรัอยู่ยิ่งทำให้ภาพนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นริ้วเหลืองสลับดำของเมล า, ายกล้วยไม้และผ้าเตี่ยวกระทบแสงไฟเป็นมันระเรื่อมแล้วเชิฐาก็ผงะกายแข็งทื่อเหมือนถูกสาดให้กลายเป็นหินเมื่อเห็นดวงหน้าหวานชื่นนั้นอย่างถนัดตามันคือดวงหน้าของดารินเวลาลิกน้องสาวของเขานั่นเองทั้งๆ ท, ที่เจ้าของดวงหน้านั่นนอนหลับอยู่ข้างๆกายเขาในขณะนี้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 หัวหน้าคณะเดินทางทะลึ่งพวดขึ้นยืนและจังงังอยู่กับที่เบิกตาโผรงอย่างไม่ใส่งจากความมึนงงทุกคนตื่นขึ้นพร้อมกันหมดด้วยอาการกระโดดจากที่นอนและพินเป็นคนแรกที่ถือปืนในท่าเตรียมพร้อมก้าวผ่านกองไฟออกไปจากนั้นคนอื่นๆก็กระโจนตามหลังเขาเชษฐาเป็นคนสุดท้ายที่ยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงๆอีกครั้งสะบัดหน้าไความมึนงงแล้วก็วิ่งเข้าไปสมทบ ภาพที่ทุกคนกําลังยืนล้อมดูอยู่ในขณะนี้คือเสือดาวตัวมะหุมาเกิดจะเทียมเทียมลายาพาดกรตัวหนึ่งนอนตะแคงเหยียดยาวอยู่กับพื้นดินข้างกองไฟที่กระเด็นกระจัดกระจายเรือรังไหลพังเป็นริมออกมาจากบาดแผลกลางทรวง อ, อกและรอยเจาะผ่านออกทางสะบักหลังขณะที่หัวหน้าคณะเดินทางวิ่งตามเข้าไปถึงนั้นขาทั้งสี่ข้างของหมันหยุดอาการสั่นกระตุกลงแล้วตายสนิท พรานใหญ่จ้องหน้าเชี่ยถาเขมงสีหน้าและแววตาของเขาเต็มไปด้วยความพิศวงสุดขีดร้องออกมาด้วยเสียงระ่ึกละลักคุณชายอะไรกันนี่นั่งจ้องมองอยู่ทําไมทําไมถึงไม่ยิงต่อให้มันย่องเข้ามาจนถึงระยะที่มันจะกระโจนเขาใส่แบบนี้ทุกคนหันไปทางเชี่าอย่างสนเทเพราะคําพูดของระพินราชสะกุลหนุ่มเม้มริมฝีปากแน่นกระพริบตาถี่เร็วมองสบตาพลานใหญ่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 โชคดีเหลือเกินที่รพินตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์พอดีชา ย, ยันถามเสียงหนักๆขมวดคิ้วพี่ใหญ่เป็นอะไรไปหรือเปล่าคะเห็นมันหรือเปล่าขณะที่มันย่องเข้ามาน้องสาร้องถามอีกคนพร้อมกับขย่าวแขนอดีตทูตทหารบกเชื้อพวงมองผ่านไปหน้าของทุกคนที่พา ก, กันจับมองมาที่เขาอย่างพิสวงแล้วเปลี่ยนมาจับประสานตากับระพินเป็นคนสุดท้ายบอกผมอีกสักครั้งสิรพินคุณเห็นเสือตัวนั้นน่ะหรือ เดินย่องเข้ามาใกล้ๆผมโดยออกมาจากซุ้มเถาวันโคนต้นกระบากรัฐินประหลาดใจยิ่งขึ้นไม่เข้าใจคำถามของเชษฐาก็เ <"G> สือตัวนั้นน่ะสิครับเอ๊ eh, มีอะไรหรือครับเชษฐาหันไปทางน้องสาวบอกเรียบๆว่าน้อยตรวจพี่สิพี่ไม่สบายหรือเปล่าหญิงสาวยิ่งตกใจเพิ่มขึ้นเข้ามาจับตัวพี่ชายตรวจดูโดยเร็วหล่อนคลำแม้กระทั่งชีพจร ก็ปกติเรียบร้อยดีนี่ครับพี่ใหญ่แต่มีอาการตื่นเต้นบ้างเท่านั้นนอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพี่ก็เชื่อว่าพี่สบายดีทุกอย่างแต่อยากจะให้แน่ใจเท่านั้นถึงบอกให้เธอลองตรวจดูอีกครั้งเขาพูดขุมขุมแล้วยังไม่เอ่ยอะไรกับใครทั้งสิ้นเดินไปซุดตัวลงนั่งดินกองไฟที่เดิมในท่าเดิมจ้องมองโดยมุมนั้นออกไปยังกิ่งเถาวัลย์ใหญ่โคนต้นกระบ่อีกครั้ง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 ทุกคนเดินตามมาหยุดยืนร้อมเขาอย่างสงบนสนเทเสือตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมในที่สุดเขาก็หันไปถามรัพินขึ้นด้วยเสียงปกติครับใช่มันเป็นตัวเมียคุณชายดูลักษณะรูปร่างของมันออกหรือครับเปล่าหรอคิดเอาเองด้วยประสาทสัมผัสบางชนิดเขาตอบ ป, ปนหัวราะเสียงแปลงๆอยู่ในลำคอพลางพยักหน้าชวนทุกคนให้กลับเข้าไปในเวรที่นอนอีกครั้งแล้วหันไปทางชายยัน แกเป็นยังไงบ้างไม่สบายอยู่เมื่อตอนหัวคนะ่ําน่ะเดี๋ยวนี้ข้า ย, ยังช่วแล้วยังหายได้บร้อยดีแล้วละยิ่งมาเจอเอาเรื่องตื่นเต้นกระทันหันแบบนี้หายเป็นปิดทิ้งทีเดียวว่าแต่แกเถอะอย่าเพิ่งถามหรือพูดอะไรนอกเรื่องไปเลยพวกเราทุกคนแปลกใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าทําไมแกถึงนั่งมองดูเสือตัวนี้ย่องเข้ามาหมายจะตะปบหนังหัวโดยนี่คิดจะทําอะไรมันเลยจนกระทั่งรถพินทนดูอยู่ไม่ได้ต้องยิงแกยังไม่ได้ตอบคําถามเลย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 ก็ฉันบอกแกไปแล้วภาษาตามันกลับยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมสาวน้อยคนหนึ่งนั่งโยกคิงช้าถวันอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นไปเดี๋ยวก็หายไปไปเดี๋ยวก็เห็นอีกรำคาญลูกตาตัวเองเต็มทีก็เลยขอนอนดีกว่าไปเดี๋ยวจะกลายเป็นน้อยที่เคยเห็นในไรพิสดารพิสดารมาแล้วไปอีกคนหนึ่งมีเมลายดอกไม้สีดำๆำเหลืองเหลืองสวมอยู่บนผมใช่ไหมใช่อกเปลยผมยาวถึงเอว พันกลางลำตัวด้วยผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆชัยยันจ้องหน้าเชษฐาอ้าปากค้างขนลุกชันขึ้นมาในทันทีนั้นร้องออกมาตะกุบตะตกักเชษฐานี่แปลว่าอีกฝ่ายหัวเราหื อ, หอกอ บ, บบันดีลงคออีกครั้งเหมือนจะดับความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกฉันเห็นถนัดกว่าแกเสียอีทั้งๆที่ฉันก็มีอาการปกติเรียบร้อยดีไม่ใช่ไม่สบายจับไข้เหมือนแก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 เชี่ถาพูดมาด้วยน้ำเสียงหัวเราะเรื่อยๆของเขาแต่ทุกคนที่ได้ยินแทบจะพะ ง, งะตะลึงตัวแข็งกันไปหมดหัวหน้าคณะเดินทางกล่าวต่อมาว่าฉันต้องการพิสูจน์ใหถึงที่สุดหัวภาพที่เห็นนั้นคืออะไรแน่จึงนั่งพิจารณาอยู่เงียบๆเฉ ย, ยๆไม่ยอมใช้แม้กระทั่งไฟฉายไม่อยากเห็นตัวเองที่ขาดจนถึงกับยิงออกไปทั้งๆที่ก็มองเห็นอยู่ว่าร่างนั้นเป็นมนุษย์เป็นสาวน้อยแสนสวยจริงล่ะ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 ชายยันผู้เสียงแหบๆมองหน้าทุกคนไปมาที่แกมองเห็นผู้หญิงลักษณะท่าทีอย่างเดียวกับที่ฉันเห็นมีน่นำซ้ำหน้ายังเป็นหน้าของน้อยแง่ท า, ายคนเดียวเท่านั้นที่นั่งเงียบกริดไม่ได้เอ่ยคาใดทั้งสิ้นเท่าๆกับพระพีนผู้ตกอยู่ในอาการเครียดขึ้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมายัางบอกไม่ถูกอำนาจของป่าใหญ่ภพยลึกได้สดงอิทธิบิตของมัน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 ก็ยังมีเหตุผลที่ต้องคิดอีกสองข้อด้วยชายหยันพูดโดยเร็วแย้งเข้ามาคือหนึ่งทำไมเราถึงมองเห็นเป็นผู้หญิงทําไมไม่เห็นเป็นผู้ชายหรือภาพอย่างอื่นซึ่งมันไปตรงเข้าพอดีกับที่เสือตัวนี้เป็นเสือตัวเมียและสองทำไมมันถึงสวมใบหน้าของน้อยมาเพื่อทําให้เชิดฐาช็อปตะลึงในวินาทีสุดท้ายที่มองเห็นหน้าได้อย่างถนัดลําพังผมคนเดียวที่เห็นทีแรกผมปรับปรามตัวเองว่าตาฝาดไปแล้ว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 ส่วนพรานกับอย่าจะให้เราคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้าสาระและอย่าสนใจอะไรอยู่อีกโดยโยนไปให้ความตาฝาดเอาละ่ะเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้เราซึนทราบกระใจกันดีทุกฝ่ายก็แล้วกันว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่ามาวิเคราะห์หัวข้อที่จริงถกเถียงกันให้เสียเวลาเลยแล้วเขาก็หันไปตบแขนรพินเบาๆผมเข้าใจคุณดีระพินคุณไม่ต้องการให้พวกเราขวัญเสียและมีความรู้สึกขัดแย้งกับโลกสว่างที่พวกเราผ่านมาแล้ว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 เกิดหันไปซุบซิบอะไรอยู่กับแง่ทรายพึมพำเป็นภาษากะเรียงชายันได้ยินก็หันไปถามทั้งสองนั่งนิ่งไม่ตอบมองมาทางพรานใหญ่อย่างเกรงเกรงดาดินจึงมองไปทางระพินเหมือนจะบังคับให้เขาแปลข้อความไม่มีอะไรหรอกครับจอมพรานตอบเรียบๆไปหน้าเคร่งเครืมพวกกะเรียงหรือพวกพรานพื้นเมืองเขาเชื่อถือกันตามความเห็นของเขาแง่ทรายเป็นคนบอกกับเกิดว่า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 ดารินกอดอกแน่นเหมือนจะคายความหนาวพูดออกมาด้วยเสียงกระซิบสั่นเครือทำไมทำไมมันถึงต้องมีใบหน้าเหมือนฉันด้วยพี่ใหญ่ประสาสดีที่สุดคนหนึ่งกล้าก็เท่านั้นแข็งแรงก็เท่านั้นใจแข็งมีเหตุผลที่ดียังอุตส่าห์มองเห็นอย่างนี้ได้พี่ก็มีโอกาสจะตาฝาดอย่างรพินว่าได้เหมือนกันแหละน้อยอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยพี่ชายหันไปพูดปลอบใจน้องสาว ซึ่งเห็นชัดว่าในขณะนี้ขวัญเริ่มจะเสียไม่ต้องกลัวนาะอยู่กันออกพร้อมหน้าอย่างนี้ฉันไม่เคยเห็นเธอกลัวอะไรมาก่อนเลยชายยานช่วยปลอบใจมาอีกคนดาริมไม่พูดคำใดอีกสีหน้าไม่สบายใจอย่างไรพิกลทันทีนั้นแง่าสายก็ผูดลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์อันสูงใหญ่พูดขึ้นห้าห่านายหญิงไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรขึ้นอีกในคืนนี้แง่า ย, ายจะทาให้เอง พูดพลางหนุ่มเกรียงพเนจรผู้ลึกคราบก็คว้าไม้ไผ่เสี้ยมปลายเป็นเหลาซึ่งถือติดมืออยู่เป็นประจำก้าวออกพ้นกองไฟไปยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เอาไม้ไผ่นั้นเดินรากขีดกับพื้นเป็นอนาเขตวงกลมล้อมรอบปางพักแล้วเดินตรงไปที่ต้นกระบากใหญ่ต้นนั้นชักมีดผ่านที่เน็บหลังออกมายืนนิ่งเหมือนจะบริกรรมอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็กระนำฟันลงไปที่รากซึ่งโผล่พ้นดินขึ้นมา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 ชับเกยของจริงเสียแล้วชายหยานสกิดเชฐดากระซิบออกมาเบาที่สุดเส้นผมบนศีรษะแทบจะชี้เป็นเส้นตรงส่วนดาดิมภวาเขากอดพี่ชายไว้แน่นแทบจะควบคุมสติไว้ไม่ได้ตัวสั่นเป็นลูกนกเชิฐาเองก็นั่งตัวแข็งเย็นปราบไปถึงไขสันหลังอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหมายความว่ายังไงกันนี่ละพินเสียงประหลาดเมื่อตะกี้นี้มาจากไหนกันแน่หัวหน้าคณะเดินทาง หันไปจ้องหน้าพรานใหญ่อย่าให้ผมพูดอะไรอีกเลยครับคุณชายภายหลังจากนิ่งเป็นนานจอมพรานก็กระซิบแผ่วต่ำทุกสิ่งทุกอย่างคุณชายได้เห็นชาิกับตาเองแล้วนี่แหละคือป่ามันวิเคราะห์หรือวิจัยอะไรออกมาได้ยากผิดกับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในเมืองถ้าจะให้ผมบอกว่าเสียงมิเตกี้นีเสียงอะไรผมก็ต้องบอกว่าเสียงบางนั่นแหละ มันบังเอิญร้องขึ้นระจวบเหมาะกับขณะที่แง่ทรายฟันมีดลงไปพอดีแล้วเขาก็หันไปทางแง่ทรายพูดคลิปคีิว่าทำไมแกไม่ทำพิธีของแกขณะที่พวกเราตั้งแคมป์เมื่อตอ่อหน ua ขํามผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นผู้กองเป็นพรานใหญ่กว่าผมผมเป็นเพียงคนใช้เท่านั้นผู้กองย่อมรู้ดีกว่าผมทุกอย่างในป่าใหญ่นี่ก็ไม่แน่นะักแกอาจยิ่งใหญ่กว่าฉันก็ได้ แกรู้จากฉันดีแต่ฉันรับว่าไม่รู้จักแกเลยตอนที่เสือ ย, ย่องก็มาหานายทายแกก็ไม่รู้สึกตัวหรอก ห, อหรือแง่สายหัวเราะห้าวในรำคอผมหลับสนิทที่สุดหลับอย่างสบายเป็นคืนแรกและจะตื่นขึ้นเมื่อถึงยามของผมเท่านั้นผมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กองนั่นก็คือเมื่อถึงเวลานอนต้องหลับไม่ใช่ตื่นอยู่แกสาคัญมากนะแง่าสาย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 ก็เดินกลับไปล้มตัวนอนตะแคงอยู่อย่างที่ของตนอย่างง่ายๆโดยไม่สนใจกับอะไรอีกแง่ า, ายพูดถูกเรานอนกันเถอะเชิถาว่าแล้วขยับตัวจะนอนแต่ชายยานกับดาลินยังคงนั่งกอดเข่ามองหน้ากันอยู่เห็นจะหลับบากแล้วค่ะพี่ใหญ่สำหรับคืนนี้นอนเถอะแล้วก็หลับเองแหละชีวิตเดินป่าอย่าพยายามทำอะไรยาก ง, ง่ายๆไว้เป็นดียามต่อไปเป็นของใคร ชายยานถามห้าวห้าผมครับเกิดเป็นยามต่อไปส่วนแงซสายเป็นยามใกล้สว่างผู้ตอบคือจอมพรานในที่สุดคณะนายจ้างล้มตัวลงนอนชายยานยังไม่อาจปิดเปิือกตาลงได้ดึงง่ายครูใหญ่ต่อมาภายหลังจากที่เชิดถาและดาลีเงียบไปแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งมวลบุรีสูบแล้วหยิบไฟฉายเปิดสวิตส่องไปยังลำต้นกระบากใหญ่นั้นกลาดอย่างถี่่วนไปมา ตั้งแต่โคนขึ้นไปหายอดที่สูงทยานเรี่ยวขึ้นไปท่ามกลางหมู่ไม้หนาทึบอื่นๆแล้วหันไปพบตาพรานใหญ่ผู้นั่งมองอาการเขาอยู่เงียบๆชัยยานเดินมาซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิริมกองไฟตรงหน้าระพินถามจริงๆเถรพินในชีวิตเดินตาของคุณเคยเห็นในลนักษณะนี้มาบ้างหรือเปล่าเสือมันสะกดเราให้มองเห็นฟั่นเฟือนเป็นคนไปพรานใหญ่สั่นศรีรษน ไม่เคยเห็นชัดๆอย่างที่คุณชยยัยยานหรือคุณชายเห็นและยืนยันอยู่เมื่อตะกี้นี้เลยครับส่วนที่ว่าตาฝาดเห็นอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปในลักษณะอื่นๆนั้นก็เคยอยู่บ่อยๆเหมือนกันสมัยที่ยังเป็นพรานฝึกหัดอยู่แล้วเขาก็หัวเราออกมาเบาๆเย็นวันหนึ่งเวลาพโพลเพผมหลงป่าอยู่แถวแม่น้ำเพชรขณะนั้นฝนตกพรมเห็นอสุรกายตัวดามืดโผล่ออกมาจากป่าเธอปริ่ทางด่าน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 บริเวณแคมป์ของเรานี่มันมือดอาศัยเพียงแสงสลัวสวจากเปลวไฟในกองเท่านั้นสายตาของมนุษย์เราแท้จริงจะมองเห็นอะไรเป็นกิจลักษณะชัดเจนได้ถึงเพียงนั้นอย่างไรกันนอกจากภาพอุปทานซึ่งจะเกิดจากอำนาจใดก็ตามตอนที่ผมยิงนั่นนะมองเห็นชัดว่ามันกำลังย่องกลิบเข้ามายัางกัมแมวแต่ที่เห็นผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คืออากับกิริยาของคุณชายในขณะนั้น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 เบี่ยงหลบเข้าหลังต้นไม้เห็นแต่หลังวัยวัยทุกครั้งที่ผมส่องกลาดออกไปจนกระทั่งผมก็ปล่อยใจตนเองว่าตาฝ่าและไม่อยากสนใจอะไรอีกที่ว่าเห็นหลังวัยวัยนั้นเห็นในลักษณะไหนเห็นเป็นรูปร่างของคนหรือชายยันเม้มปากก้มศรีรษะรับอย่างมั่นใจมันจะเป็นอะไรก็ตามระพินแต่ที่ผมเห็นโดยรำแสงไฟซึ่งไล่หลังเป็นนั้นรูปร่างของมันเป็นคนแน่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 ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนอกจากว่าในตอนเที่ยงของวันนั้นบุญคำกินเนื้อเม่นเป็นพิษผิดสําแดงเข้าไปทำท่ามไม่สบายมาตั้งแต่บ่ายพอตกดึกพิษไข้ก็ทวีขึ้นสูงแกเพ้ออารวาดเอาหน่อยเท่านั้นอารวาดยังไงเรานอนพักกันที่โปง่งตรงที่กระทิงถูกยิงล้มประมาณเที่ยงคืนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเหมือนกระทิงหรือวัวจามอยู่ใกล้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 ในที่สุดผมก็เลยต้องน็อกให้แกลงไปนอนแล้วง้างขากันไก่ของแกออกเอาอยาแก้พิษผิดสำแดงตามแบบบ้านป่าที่ประกอบด้วยว่านเคี้ยวงาบางชนิดซึ่งมือเอิญมีติดย่ามอยู่ด้วยะระลายเหล่ากรอกเข้าไปภายหลังกรอบยาสักครู่แกก็อาเจียนออกมาเป็นการใหญ่จากนั้นกระลับต่อไปจนรุ่งเช้าพอตื่นขึ้นมาแกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องเลยว่าเมื่อคืนนี้แกกายเป็นกระทิไร้ขดผมอุตรุดไปหมด ชายยันนั่งฟังด้วยนิตาที่เปิดตื่นสยองใจมันหมายความว่ายัางไงทําไมบุญคําถึงทำกิจยาที่ผิดวิโกนหน้าโกลอยอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละครับคุณชายยันถ้าจะวิเคราะห์กันอย่างคนเจริญแล้วก็ต้องว่าพิษไข่ทําให้บุญคําเพิกข้างไปส่วนถ้าจะพูดกันตามภาษาเชื่อถือของพรานป่าเขาก็ว่าผีของกระทิงหรือพูดป่าเข้าสิงบุญคําเพื่อจะได้งานผมถ้าสติไม่ดีไม่เคยชินมาก่อน โดนเข้าแบบนั้นดีไม่ดีถ้าไม่วิ่งป่าราไปก็คงเอาปืนยิงบุญคําตายเป็นการฆ่ากันเองไปเลยหุบหมาหอนี่ดุร้ายกาดนักอดีตนายทหารปืนใหญ่กลางพร้อมกับยักษไหล่กวาดตาไปรอบๆผมเชื่อเสียแล้วดูเถอขะขนาดที่คุณมากับบุญคำํำมือขวาของคุณเองแท้ๆคุณก็ยังเจอกับความอาถรรพ์พิสดารของมันเข้าอย่างที่บอกมานี่ถ้าบังเอิญพวกเรามากันตามลาําพังโดยไม่มีคุณมาด้วยแล้วก็ เห็นจะยุ่งกันใหญ่มันป่าผีสิงชัดๆช ย, ยานตาสว่างนั่งคุยกับพระพินเป็นเพื่อนขาวจนกระทั่งถึงเวลาที่เกิดตื่นขึ้นมารับยามต่อจึงนอนพร้อมกับพรานใหญ่เหตุการณ์ปกติไปจนกระทั่งสว่างในตอนเช้าทุกคนเข้าไปตรวจ ด, ดูที่กิ่งเถาวัลโคนต้นกระบากก็พบไรยตีนเสือดาวตัวนั้นย่ำวนเวียนไว้เปิดไปหมดเชิดถาจุ ป, ปากเบาๆ บ, บ, บนพำร้รายกาจจริง ธรรมยศเห็นเป็นผู้หญิงไปได้ยังไงก็ไม่รู้มิหนำซ้ำยามมุมหน้าเหมือนน้อยเข้าอีกเมื่อคืนนี้น้อยนอนสวดมนต์ภาวนาไปจนกระทั่งหลับน้องสาพูดอ่อยๆถอนใจอย่างรู้สึกโล่ง อ, อกเมื่อรู้สึกว่าผ่านราตีสยองนั้นมาได้พอสว่างมองเห็นภูมิประเทศรอบด้านได้ถนัดชัดเจนอีกครั้งจิตใจของหล่อนก็กลับเป็นปกติมั่นคงขึ้นตามเดิมความสยองกลัวอันตรธานไป เสือดาวขนาดใหญ่ตัวนั้นยังนอนอยู่ที่เดิมของมันวัดจากปลายจมูกจดปลายหางยาวถึงสองวาเศษเป็นเสือดาวใหญ่ที่สุดที่ทุกคนเคยเห็นกันมาแม้กระทั่งรพินเองที่บริเวณปากและจมูกของมันเป็นรอยแหว่งเหมือนถูกมีดคมเฉาะอันแสดงว่าเคยประจันทร์หน้ากับมนุษย์มาแล้วและเจ้าของรอยมีดที่ฝากเป็นแผลเป็นไว้ก็คงจะกลายเป็นเหยื่อของมันไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย เกิดกรีดหนังตาตรงหน้าผากของมันชิ้นท้าฝ่ามือชโหมขี้เท่าเก็บไว้ตามเคล็ดหวังว่าคืนนี้เราคงไม่ต้องนอนกันในเบเรียนหบอุบาทนี้อีกแล้วนะชายันเอ่ยขึ้นไม่หรอกครับประมาณบ่ายวันนี้เราจะเข้าเขตป่าไหวแล้วแต่ต้องเร่งฝีเท้ากันหน่อยทั้งหมดกินอาหารเช้ากันอย่างเร่งรีบและออกเดินทางรุดหน้าต่อไปก่อนที่แสงอาทิตย์จะทันส่อง ตาหุบขึ้นเชิงดอยซึ่งเริ่มจะสูงชันขึ้นทุกขณะชนิดแข่งเก็บเวลาผ่านทา น, น้ำตกเล็กๆอีกสองสาแห่งหยุดพักกันเพียงแค่ควักน้ำชโงกหน้าและบรรจุตงกระบอกเท่านั้นกระทิงฝูงเดียวกันกับที่เดินตามหลังมาจากวานวานกระโจนผ่านหน้าในขณะที่ผ่านตรงผากริมไหลเขาวิว่นป่าล่านไปแต่ไม่มีใครสนใจเพราะอยู่ในระหว่างการเร่งฝีเท้าเพื่อจุดหมายเบื้องหน้าซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ ก่อนเที่ยงเล็กน้อยต่างขึ้นมาถึงหุบตอนหนึ่งในระหว่างยอดเขาสูงสองลูกของเต้าฐานสองข้างที่มองเห็นจากยอดเขาอีกลูกหนึ่งเมื่อเช้าวานนี้เป็นรูปนางนอนต่างอิดโรยอ่อนร้าไปตามๆกันเพราะการเดินกันอย่างเร่งรีบรวดเดียวตลอดไม่มีการหยุดพักและหุนทางต้องไต่ตขึ้นสูงทุกขณะณที่นี้เองภาพของทุ่งโลงและดงทึบที่สนับกันอยู่เบื้องล่างก็ปรากฏชัดกับสายตา นั่นคือป่าหวายอันเป็นเป้าหมายปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องอาหารเพรา ะ, ะเสบียงที่พอมีติดตัวกันมาบ้างนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อมือม้อเช้าอันเป็นมื้อสุดท้ายและตลอดเวลาที่เร่งรุดเดินทางมาก็ไม่มีใครสนใจที่จะแสะวงหาสเสบียงเพิ่มเติมอีกเลยเพราะหมัวพวงในการทําเวลาอยู่เสียดายก็ะทิงสูงที่วิ่งตัดหน้าเมื่อตอนสายนี่เหลือเกินรู้อย่างนี้ยิงไว้สักตัวก็ยังดีลืมนึกถึงเรื่องท้องไปสนิท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 อย่าไปให้นานกว่านั้นเขาสั่งกำชับคนใช้กะเรลียงร่างยักกับพลานพื้นเมืองปิดสัมภาระที่ติดรลังอยู่ออกถือแต่เพียงไรเฟิลคนรักกระบอกก่อนที่จะพระไปดาดินก็ร้องสั่งมาว่าคิดถึงฉันบ้างนะทั้งแง่สายและเกิดพยายามหายที่นายหญิงพอจะกลีนได้หน่อย